บทที่หนึ่งมนุษย์กําลังทําอะไรถ้าถามท่านว่ามนุษย์กําลังทําอะไรท่านจะตอบว่าอย่างไรชาตินี้ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ควรถามตนเองว่าท่านกําลังทําอะไรในวันหนึ่งก็ต้องตายละล่างมนุษย์นี้ไปช่วงชีวิตจากเกิด จนตายนั้นสั้นนักในระหว่างการเดินทางของชีวิตที่แสนสั้นนี้ที่แท้แล้วมนุษย์เรากำลังทำอะไรคำถามนี้ง่ายต่อการถามแต่ยากแก่การตอบชนทุกอาชีพดิ้นรนสแสวงหาความมั่งคัง่งชื่อเสียงคำสรรเสริญการได้รับการยอมรับ เกียรติยศและตำแหน่งเพราะการได้ครอบครองสิ่งเหล่านี้แสดงถึงการประสบความสำเร็จทางโลกผู้ที่มั่งคั่งหรือมีชื่อเสียงไม่ว่าจะจากอาชีพตนหรือจากมรดกก็จะโดดเด่นในสังคมเป็นผู้ประสบความสำเร็จและมีอิทธิพลพวกเขาได้รับการยกย่อง เพราะวิถีชีวิตที่เขาเลือกนั้นเป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคมคนในสังคมถือว่าเป้าหมายทางโลกเหล่านั้นถูกต้องพวกเขาจึงอนุรักษ์แบบแผนสังคมทางโลกไว้เพราะคิดว่าชีวิตเช่นนั้นมั่นคงปลอดภัยและเป็นที่รู้จักแท้ที่จริงวิถีชีวิตเช่นนี้ มีแต่ผูกตรึงอยู่กับตันหาและอุปท า, านอีกทั้งคำจุนแบบแผนเดิมให้คงอยู่แต่ยังมีคนอีกพวกหนึ่งที่ขยันขันแข็งต่อสู้เพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาและอุปท า, านวหาทวนกระแสมติมหาชนบุคคลเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นคนนอกของสังคม หรือแม้แต่ของครอบครัวตนเองคนในสังคมไม่เข้าใจว่าเหตุใดบุคคลเหล่านี้จึงยินดีไหวทวนกระแสมติมหาชนการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้คุกคามแบบแผนเดิมดุดดังทอดทิ้งคนข้างหลังญาติมิตรไม่ต้องการให้บุคคลอันเป็นที่รักเปลี่ยนแปลไป เมื่อผู้คนคิดว่าเขารู้ว่าจะหวังสิ่งใดได้จากอีกคนหนึ่งก็ทำให้พวกเขาสบายใจเขาจึงประสงค์ให้สิ่งต่างๆดำรงอยู่แบบเดิมๆในผู้ที่มีความเข้าใจจำกัดอยู่แต่เพียงสิ่งที่เขาสามารถรู้และเห็นได้ด้วยประสาทรับรู้ทางกายภาพ ก็ยากที่จะเข้าใจหรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในบุคคลอื่นเขาเหล่านี้คิดว่าเพื่อนหรือบุคคลอันเป็นที่รักนั้นสูญเสียสามัญสำนึกจึงได้ทิ้งวิถีชีวิตแบบเดิมๆที่คุ้นเคยการเปลี่ยนแปลงนี้คุกคามความมั่นใจและทำให้พวกเขาสับสน ไม่ยากที่จะนึกเห็นพวกเขาทุกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นมนุษย์เกิดมาด้วยตันหามีชีวิตอยู่ด้วยตันหาและส่วนใหญ่ก็ตายด้วยตันหาด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดไว้ในตันหาสูตรที่สามว่าตันหายะนิยติโลโกโ ตันหายะปริกิตสติตันหายะเอกธรรมมัสสะสัพเพวะวะสมันวคูุติโลกอันตันหาย่อมนำไปอันตันหาย่อมเสื่อมสายไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือตันหา เราวางแผนกิจกรรมและงานต่างๆไปตามอำนาจของตันหาเราหนุนเนื่องและปนเปรอตันหาและเราหลายคนพยายามฉุดรัง้งผู้ที่ยินดีจะทำเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหามิให้ทำเช่นนั้นทั้งที่ตันหาเป็นต้นตอแห่งความทุกข์จึงทำให้เกิดคำถามว่ามนุษ กำลังทำอะไรจริงๆแล้วเรากำลังทำอะไรอัตมาต้องการทราบคำตอบของคำถามนี้แม้จะได้ใช้ความคิดมากแต่คำตอบก็ไม่กระจ่างและไม่ใช่ได้มาโดยง่ายเรามีสิ่งที่ต้องทำในชีวิตมากกว่าแค่การดำรงชีพแม้ว่าอาหารเสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยและเงินจะสําคัญต่อความมั่นคงและการอยู่ดีกินดีของมนุษย์แต่ปัจจัยดังกล่าวไม่ได้ให้ความหมายหรือประโยชน์ที่แท้แก่ชีวิตอัตมาตระหนักว่าความหมายของการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่การสั่งสมความมั่งคั่งหรือชื่อเสียงอีกทั้งไม่ใช่เพียงการได้รับการยกย่องสรรเสริญ ยอมรับจากสังคมหรือตำแหน่งยศศักดิ์หรือคุณวุฒิทางวิชาการต่อท้ายชื่อชีวิตควรจะมีความหมายที่สูงส่งยิ่งกว่านี้เดิมอัตมาคิดว่าเข้าใจสิ่งนี้แต่เมื่ออัตมาเริ่มไต่ตรองเรื่องนี้ปรากฏว่าที่จริงแล้วอัตมาไม่ทราบว่าจะทำอะไร หรือกิจใดที่ควรทำในที่สุดอัตมาจึงได้เรียนรู้ว่าต่อเมื่อเราได้ตระหนักว่าเรากำลังทำอะไรเราจึงจะเริ่มทราบว่ากิจใดที่ควรทำในอดีตสมัยเป็นคาวาสอัตมาก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปพยายามหาความหมายและความสำเร็จ ผ่านการศึกษาในระบบแต่ไร้ผลในไม่ช้าก็ได้พบขอบเขตอันจำกัดของความสำเร็จทางโลกดังนั้นอัตตมาจึงได้หันมาคนา้นคว้าพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระปัญญาคุณนั้นภัยสารไม่มีจำกัดไม่มีประมาณเพื่อแสวงหาคำตอบที่รอคอย และก็ได้พบคำตอบที่ถูกต้องได้รู้และเห็นอย่างทองแท้ว่ามนุษย์เรากำลังทำอะไรและกิจใดที่ควรทำขอเชิญพิจารณาคำถามสำคัญสองข้อนี้คือ 1. เรากำลังทำอะไร 2. กิจใดที่ควรทำ คำถามสองข้อซึ่งเป็นหัวข้อาการแสดงธรรมในคืนนี้อัตตมาได้ค้นคว้าจากสังยุตตนิกายอังคุตระนิกายคาถาธรรมบทพระอภิธรรมและอัตถกถ า, าหน้าที่ของอัตตมาในฐานะพระพิสุคือการเผยแผ่พระธรรมที่แท้ของพระบรมศาสดาอันงามในเบื้องต้น งามในถาำกลางและงามในที่สุดอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความมุ่งหมายนี้อัตมาขอเริ่มจากกระทู้แรกว่ามนุษย์กำลังทำอะไรเมื่ออัตมาตั้งคำถามนี้ต่อบุคคลต่างๆคำตอบที่ได้จะแตกต่างกันไปตามความชอบหรือไม่ชอบส่วนตัว แม้จะมีรายละเอียดบางอย่างแตกต่างกันแต่รวนอยู่บนฐานความคิดเดียวกันก็คือกำลังสร้างความสำเร็จทางวัตถุสถานภาพและความมั่นคงในโลกนี่คือตันหาที่นอนเนื่องอยู่ในส่วนลึกของจิตที่บงการวิถีชีวิตของพวกเขาในการที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น คนส่วนใหญ่จึงต้องการเรียนสูงเพื่อใช้แข่งขันให้ได้งานดีๆและก็หวังว่างานดีๆจะทำให้มีรายได้งามเพิ่มพูนความมั่งมีและยกฐานะในสังคมพวกเขาคิดว่านี่คือวิถีทางที่ถูกต้องซึ่งจะนำให้เขาได้ยืนอยู่แถวหน้าของโลกและเชื่อว่าจะมีความสุข เมื่อประสบความสำเร็จทางโลกอัตตมาก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับท่านในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งอัตมาต้องการทราบจริงๆว่าเรากำลังทำอะไรที่โลกนี้และต้องการทราบเจาะลึกมากขึ้นว่ากิจใดที่อัตตมาควรทำและเพราะเหตุใดคำถามเรียบง่ายนี้ลึกซึ้ง พระไตรโลกก น, นาตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์เพื่อทรงสแสวงหาและทรงพบคำตอบที่ถูกต้องต่อคำถามนี้และแม้ว่าพระพุทธเจ้าของพวกเราจ ะ, สะเสด็จดับขันธปรินิพานนานแล้วแต่พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดมาเกินกว่า 2,500 ปี จากพระพิษุรุ่นแรกๆสู่รุ่นถัดมาโดยในระยะแรกๆสืบทอดด้วยวาจาและในเวลาต่อมาด้วยตัวอักษรน่าชื่นใจที่พระธรรมของพระบรมศาสดาได้รับการรักษาให้คงความบริสุทธิ์ถึงปัจจุบันด้วยความระมัดระวังทั้งในการบันทึกและการอนุรักษ์ และสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยการอ่านจากพระไตรปิฎกที่เป็นลายลกักษณ์อักษรบางพระสูตรก็เข้าใจได้โดยง่ายแต่บางพระสูตรก็ยากที่จะเข้าใจดังนั้นจึงเป็นหน้าที่สำคัญของพระพิสุในการอธิบายพระสูตรที่ยากให้เข้าใจได้ง่ายโดยเชื่อมโยงพระสูตรต่างๆเข้าด้วยกัน พระสูตรที่เป็นหลักใหญ่ใจความของการแสดงธรรมในวันนี้อัตมาอัญเชิญจากสังยุตตนิกายสขาทวักเทวตาสังยุตน์นรวักที่หนึ่งโอคตาลณะสตรที่หนึ่งโอคะหมายถึงห่วงน้ำวนคือการเวียนไหวตายเกิดตาลณะหมายถึงการข้าม เพื่อให้เราทราบว่ามนุษย์กำลังทำอะไรและกิจใดที่ควรทำพระสูตรนี้เปรียบดังดวงประทีปที่ส่องแสงสว่างสวัยแก่ไตภูมิสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแหลเมื่อผทมยามล่วงไปแล้วเทวดาองค์หนึ่งมีวั น, นะงามย่างพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเพื่อทูลถามปัญหาเทวดาและรูปประพมมีกายละเอียดคนธรรมดาไม่สามารถมองเห็น ร่างของเทวดาและพรมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและทรงรู้ตลอดทั่วไตรภูมิทรงมีอภินญญาญาณเช่นทิพจักขุทิพโสตะเป็นต้นจึงทรงเห็นและทรงสดับเทวดาและพรมที่มาเข้าเฝ้าเวลาเที่ยงคืน ทำไมเทวดาและพรมจึงมาเข้าเฝ้าเวลาเที่ยงคืนเชิญติดตามพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าองค์พระมุนีผู้ประเสริฐทรงบำเพ็ญเป็นประจำในแต่ละวันเพื่อน้อมนำจิตให้มีศรัทธาเรื่มใสในพระพุทธเจ้าพุทธกิจประจำวันหประการที่ทรงยังให้หมดจด มีดังนี้คือหนึ่งภารกิจที่ทรงบําเพ็ญก่อนเสวยพระกยาหารเรียกว่าปุเรพัฒกิจ 2. ภารกิจที่ทรงบําเพ็ญหลังเสวยพระกยาหารเรียกว่าปัจฉาภัฒกิจ 3. ภารกิจที่ทรงบําเพ็ญตอนหัวค่ําเรียกว่าปุริมะยามกิจปุริมะยาม หรือปฐมยามหรือยามต้นส่วนที่หนึ่งแห่งราตรีเมื่อแบ่งกลางคืนเป็นสามส่วนคือตั้งแต่6โมงเย็นถึงสี่ทุ่ม 4. ภารกิจที่ทรงบำเพ็ญยามเที่ยงคืนเรียกว่ามัชมะยามมกิจมัชมะยามหรือยามกลางแห่งราตรีคือตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสอง 5. ภารกิจที่ทรงบำเพ็ญก่อนรุ่มอรุณเรียกว่าปัจชิมะยามกิจปัตชิมะยามหรือยามสุดท้ายแห่งราตรีคือตั้งแต่ตีสองถึงหกโมงเช้าพุทธกิจแต่ละอย่างมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ภารกิจที่ทรงบำเพ็ญก่อนเสวยพัตตาหารปุปพันเห ปินทปาตันจะเวลาเช้าสเสด็จบินทบาทคือบุเรพัธกิจกิจก่อนเสวยอาหารมีดังต่อไปนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จลุกขึ้นแต่เช้าทรงกระทปริกรรมพระสรีระมีล้างพระพักเป็นต้นเพื่ออนุเคราะห์อุปถาคและเพื่อความผาสุกแห่งพระสรีระ ทรงยับยั้งอยู่เหนืออาสนะอันสงัดจนถึงเวลาพิคขาจาร์พอได้เวลาพิคขาจาร์ทรงนุ่งอันตรวาสศกคือสบงทรงคาดประคตเอวของอุตตราสงคือจีวรทรงถือบาทบางครั้งก็พระองค์เดียวบางครั้งก็แวดล้อมไปด้วยพิสุสงเสด็จเข้าไปบินทบาทยังบ้าน หรือนิคมบางคาวเสด็จเข้าไปตามปกติบางคาวเสด็จไปด้วยปฏิหารเป็นอันมากคือเมื่อพระโล ก, กนาถเสด็จเที่ยวบินทบาร์ดลมอ่อนๆก็พัดไปข้างหน้าเป่าแผ่นดินให้สะอาดเมฆหลังมเมร็ดฝนดับฝุ่นละอองบนหนทางกลางก้านเป็นเพดานอยู่เบื้องบนลมอีกพวกหนึ่ง ก็นำดอกไม้เข้าไปโปรยลงบนหนทางภูมิประเทศที่ดอนก็ยุบลงภูมิประเทศที่รุ่มก็หนุนตัวขึ้นเวลาที่ทรงย่างพระบาทภูมิภาคย่อมมีพื้นราบเรียบหรือดอกประทุมมีสัมผัสอันอ่อนละมุนคอยรับพระบาทเมื่อพอทรงวางพระบาทเบื้องขวาไว้ในภายในเสาเขื่อน ฉับพันนารังสีพระศมีมีพันหประการก็เปล่งออกจากพระสรีระพวยพุ่งไปรอบด้านกระทําปราสาสและเรือนยอดเป็นต้นให้เป็นดุดสีเหลืองเหมือนทองคําและให้เป็นดุดแวดวงด้วยผ้าอันวิจิตสัตว์ทั้งหลายมีช้างมา้าและนกเป็นต้นที่อยู่ในที่ของตนของตน ก็เปร่งเสียงไพเราะโดนตีมีกองและบันเดาะเป็นต้นกับเครื่องอาพรที่สวมใส่อยู่ในกายของพวกมนุษย์ก็เหมือนกันคือเป่งเสียงไพเราะสายลมนำให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตปรากฏดังมีชีวิตถวายอภิวาตบูชาพระบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์ใจ แม้แต่สิ่งที่ไม่มีจิตวิญญาณและสัญญาก็ปรากฏดังมีจิตวิญญาณและสัญญารู้จักการเวลาอันควรในการทาหน้าที่อย่างดีเลิศเมื่อเราจินตนาการตามเหตุการณ์ดังนี้ก็เกิดความปีติโสมนัสชื่นชมยินดียิ่งทั้งอัตมาและท่านทั้งหลายยังไม่สามารถหลุดพ้นจากสังสารวัฏ แม้ปรารถนาจะกล่าวว่าได้ประสบเหตุการณ์นั้นด้วยตนเองในอดีตชาติก็ไม่กล้าการเดินทางของชีวิตในวัฏะสงสารนี้สิ่งที่เราท่านควรทำก็ไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่สมควรทำก็กล้าทำคงเป็นพ่อเหตุนี้โลกมนุษย์จึงมักไม่ยอมรับความจริงและมักไม่ยอมลดทิฏฐิมานะ ก็อาจเป็นได้จริงหรือไม่ท่านคงทราบเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเมืองหรือนิคมก็จะทราบได้จากสัญญาณดังกล่าวนั้นน่าเสียดายยิ่งที่อัตมาและท่านพลาดโอกาสเช่นนั้นด้วยสัญญาณนั้นพวกมนุษย์ย่อมรู้ว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปบินทบาทในที่นี้ มนุษย์เหล่านั้นนุ่งห่มเรียบร้อยถือเครื่องศักการะมีของหอมและดอกไม้เป็นต้นออกจากเรือนดําเนินไปตามท้องถนนบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นโดยเคารพถาวายบังคมแล้วทูลขอว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดประทานพิสุแก่พวกข้าพระองค์ 10รูปแก่พวกข้าพระองค์สิบรูปแก่พวกข้าพระองค์หนึ่งรูปแล้วรับบาดของพระผู้มีพระภาคเจ้าปูอาสนะน้อมถวายบิณฑบาตโดยเคารพน่าชื่นชมยินดียิ่งกับท่านผู้มีโอกาสถวายพัตตาหารแด่พระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกขณะยังทรงพระชนชีพน่าคิดว่า ทำไมพวกเราจึงไม่ได้อยู่ในเวลาเช่นนั้นจึงสูญเสียทั้งโอกาสและประโยชน์ก็เพราะเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นไปตามกรรมพวกเราจึงควรตระหนักถึงการสร้างกรรมและจิตที่ติดยึดอยู่ในกรรมสุขจึงเป็นปัใจจัยให้ยังต้องวนเวียนอยู่ในวัฏะสงสารไม่รู้จักพอไม่รู้จักเหนื่อย ได้แต่เพียงเพลิดเพลินกับการมาสุขเท่านั้นหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วทรงตรวจดูสันดานของมนุษย์เหล่านั้นแล้วทรงแสดงธรรมบางพวกจะตั้งอยู่ในสาระคมบางพวกจะตั้งอยู่ในศีลห้าบางพวกจะตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลสกะทาคา ม, มิพน และอนาคามิผลอย่างใดอย่างหนึ่งบางพวกจะบวชแล้วดำรงอยู่ในพระอรหัสตอันเป็นผลเลิศ ด, ด้วยประการใดก็ทรงอนุเคราะห์มหาชนด้วยประการนั้นสเสด็จลุกจากอาสน ะ, สะเสด็จกลับไปพระวิหารสเสด็จไปที่พระวิหารนั้นแล้วประทับนั่งบนบรวรพุทธอาดที่เขาตกแต่งไว้ ณส า, ารากมประกอบด้วยของหอมในเวลาเสร็จพัตกิจของพิสุทั้งหลายอุปถาก็จะกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบต่อนั้นพระผู้มีพระภาค เ, เจ้าจึงจะเสด็จเข้าพระคันธกุดีปุเรพัฒกิจกิจก่อนสวยอาหารมีเท่านี้ก่อน2 ภารกิจที่ทรงบำเพ็ญหลังเสวยพัตตาหารสายยานเหต์ธรรมเทสนังเวลายเย็นทรงแสดงธรรมคือปัจฉาพัตตกิจคันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำกิจก่อนเสวยอาหารอย่างนี้แล้วก็ประทับนั่งที่หน้ามุขพระคันทกุดีทรงร้างพระบาททรงโอวาทพิสุสงว่าพิสุทั้งหลาย พวกเธอจงยังกิจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหาได้ยากการได้อัตภาพเป็นมนุษย์หาได้ยากการถึงพร้อมด้วยศรัทธาหาได้ยากการบรรพชาหาได้ยากการฟังธรรมหาได้ยากในโลกบรรดาพิสหล่าวนั้นพิสุบางรูปทูลถามกรรมฐาน กับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ประทานกรรมฐานอันเหมาะแก่ความประพฤติของพิสุเหล่านั้นแต่นั้นพิสุแม้ทั้งหมดถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วไปยังที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันของตนของตนบางพวกไปป่าบางพวกอยู่โคนไม้บางพวกไปภูเขาเป็นต้น แห่งใดแห่งหนึ่งบางพวกไปพบของเท้าจาตุมหาราชบางพวกไปพบของเท้า ว, ะะวะัศวดีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปยังพระคันธกุฎีถ้าทรงจำงก็ทรงมีสติสัมปชัญญะบรรทมแต่แขงขวาคู่หนึ่งรันมีพระวรากายกับปี้กระเป๋าเสด็จลุกขึ้น ตรวจดูสัตว์โลกในภาคที่สองในภาคที่สามมหาชนในคามหรือนิคมที่พระองค์เสด็จเข้าไปอาศัยประทับอยู่ถาวายทานก่อนอาหารขั้นเวลาหลังอาหารนุ่งห่มเรียบร้อยแล้วถือเอาศักการะมีของหอมและดอกไม้เป็นต้นประชุมกันในพระวิหารลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จไปโดยปาฏิหาริย์อันเหมาะสมแก่บริษัทที่ประชุมกันประทับนั่งแสดงธรรมบนบรวรพุทธอาฏที่ตกแต่งไว้ในลงธรรมให้เหมาะแก่การเหมาะแก่สมัยขั้นถึงเวลาอันควรแล้วจึงส่งบริษัทกลับไปพวกมนุษย์ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็หลีกไป ปัจฉาพัตตกิจกิจภายหลังอาหารมีดังกล่าวนี้ 3. ภารกิจที่ทรงบำเพ็ญเวลาค่ำปะโทเสพิขุโอวาทังเวลาค่ำประทานโอวาทแก่เหล่าพิสุคือปุริมะยามะกิจพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงทำปัจฉาพัตตกิจ ให้เสร็จอย่างนั้นแล้วถ้าทรงพระประสงค์จะทรงสนานพระกายก็เสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาฏเสด็จเข้าสู่ซุ้งสำหรับสงสนานทรงรดพระกายด้วยน้ำอันอุปถาจัดถวายแม้พระอุปถาก็นาเอาพุทธาฏมาราดถวายในบริเวณพระคันธกุฎีพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงนุ่งอันตรวาสศกสองชั้นที่ย้อมดีแล้วทรงคาดประคดเอวทรงคลองอุตราสงแล้วเสด็จมาประทับณพุทธอาดนั้นทรงเรนอยู่คู่หนึ่งลำพังพระองค์ลำดับนั้นพิสุทั้งหลายมาจากที่นั้นไปยังที่เฝ้าพระศ า, าสดาบรรดาพิสุเหล่านั้นบางพวกถามปัญหาบางพวกขอกรรมฐาน บางพวกขอฟังธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจัดให้สมประสงค์ของพิสูจน์เหล่านั้นทรงยับยั้งแม้ตลอดยามต้นปุริมะยามมะกิจกิจในยามต้นมีดังกล่าวนี้ 4. ภารกิจที่ทรงบำเพ็ญเวลาเที่ยงคืนอัทธรัตเตเทวปันหนัง เที่ยงคืนทรงตอบปัญหาเทวดาคือมชิมะยามกิจเวลาเสร็จกิจในยามต้นเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วดีกไปเทวดาทั่วหมื่นโลกธาตุเมื่อได้โอกาสจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถามปัญหาชั้นที่สุดแม้อักษรสี่ตัวตามที่แต่งมา พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงวิสัชนาปัญหาแก่เทวดาเหล่านั้นทรงยับยั้งอยู่ตลอดมัชมะยามมัชมยามากิจกิจในมัชมะยามมีดังกล่าวนี้นี้คือมัชมะยามากิจที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญอย่างหมดจดเป็นประจำทุกคืนทำไมเทวดาและพรมทั้งหลาย จึงมาถวายอภิวาส ก, การะและทูลถามปัญหาในเวลาเที่ยงคืนเช่นนี้ก็เพราะเที่ยงคืนเป็นยามที่มนุษย์ทั้งหลายพักผ่อนนอนหลับจึงเป็นเวลาสะดวกแก่เทวดาและพรหมจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงทรงวิริยะอุสาหะบำเพ็ญภารกิจแม้ในเวลาเที่ยงคืนเพื่อประโยชน์สุข แก่สรรพสัตว์ด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่อย่างไม่มีใครทัดเทียมได้พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจเช่นนี้เป็นประจำทุกวันตลอด 45, ส5พรรษาไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวผู้ที่มีบุญบารมีได้บรรลุพระนิพพานหลุดพ้นจากวัฏะสงสารเป็นอันมากในสมัยพุทธกาล น่าคิดว่าในจำนวนนั้นทำไมไม่มีเราท่านทุกสิ่งเกิดแต่เหตุปัจจัยผลที่เกิดโดยปัจจักเหตุนั้นไม่มีฉะนั้นแม้เราท่านได้พลาดโอกาสอันงามนั้นก็ไม่ต้องไปเสียใจเรื่องในอดีตแต่ต้องระวังอย่าให้เสียประโยชน์ในปัจจุบันชาตินี้จึงต้องเพียรพยายามให้มากที่สุด หาภารกิจที่ทรงบำเพ็ญก่อนรุ่งอรุณปัจจุดเสวะคะเตกาเรพัพพาพัพเพวิโรกนังจวนสว่างทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สามารถและยังไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรเสด็จไปโปรดหรือไม่คือปัจฉิมยามกิจ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแบ่งปัจชิมะยามเป็นสามส่วนแล้วทรงยับยั้งส่วนหนึ่งด้วยการเดินจงกรมเพื่อทรงปลดเปลื้องความเมื่อยพระวรกายที่ประทับนั่งมากตั้งแต่เวลาก่อนสวยอาหารในส่วนที่สองสเสด็จเข้าไปพระคันทกุดีทรงมีพระสติและสัมปชัญญะปนมตะแคงข้างขวา ในท่าสีหะสายยาซ้อนเท้าเดือมเท้ามือซ้ายพาดไปตามลำตัวมือขวาช้อนสีสะมีสติสัมปชัญญะไม่พลิกตัวกลับไปกลับมากำหนดใจถึงการลุกขึ้นไว้ในส่วนที่สามเสด็จลุกขึ้นประทับนั่งตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุอาสยานุสยายาน ปีชากำหนดรู้อัธยาศัยและกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานและอินทริยะปะโรปริยัตญาณปีชากำหนดรู้ความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อทอดพระเนตรบุคคลผู้ได้กระทำบุญญาธิการไว้ด้วยทานและศีลเป็นต้นในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อน ปัจชิมะยามกิจกิจในปัจชิมะยามมีดังกล่าวนี้